วันนี้จะได้พูดในหมวดที่สามว่าด้วยเรื่องยานสามคือหนึ่งอติตังสยานยานในส่วนอดีต 2. อนาคตังสยานยานในส่วนอนาคตสปัจจุบันนังสยานยานในส่วนปัจจุบันประการแรกขอให้ผู้ฟังทั้งหลาย มาทำความเข้าใจกับคำว่าอายานเสียก่อนคำว่ายานหรือว่ายานะแปลว่าความรู้ซึ่งอันนี้บางทีก็ทําให้มีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องคําว่ายานกับคําว่าฌานนะคาว่าฌานนี่แปลว่าเพ่งนะแปลว่าเพ่งอคําว่ายานนี่แปลว่าความรู้คําว่าฌานเช่นแปลว่า เพ่งกระสินจนได้ชาญนะ เ, เพ่งกระสินจนได้ชานอืก็หมายถึงว่าใชาตินี้เพ่งกระสินเช่นวา่าเพ่งดินน้ำไฟลมหรือว่าเพ่งอากาศหรือว่านีและกระสินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนอย่างนี้เรียกว่าชาญแต่คำวญาณในที่นี้แปลว่าความรู้ได้แก่ตัวปัญญามีสามอย่างคือหนึ่งอติตังสยาน ได้แก่ปรีชาอันรู้จักสาวหาเหตุในในผลหลังกล่าวคือเมื่อได้รับผลดีหรือชั่วอันเกิดปรากฏขึ้นในปัจจุบันแล้วรู้จักสาวหาเหตุที่เป็นมาว่าผลที่ปรากฏขึ้นนี้มาจากเหตุอะไรหรือว่า เหตุดีหรือชั่วอย่างไรคือได้แก่กรรมที่กระทำไว้ดีหรือชั่วจึงได้มีผลเกิดปรากฏขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าอาติตังสยานพูดง่ายๆก็คือว่าอาติตังสยานก็คือว่าเรารู้รู้จักสาวหาเหตุที่เกิดขึ้นคือผลที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หมายถึงว่าผลนะผลมันเกิดขึ้น นี่ผลอันนี้ผลก็คือว่ามีความสุขความทุกข์มีความสุขความทุกข์หรือว่าเรารู้อะไรเนี่ยที่เรารู้อย่างนี้เหตุมันมาจากอะไรนี่เราสาวไปอย่างนี้สาวไปอย่างนี้ไอ้ผลที่มันเกิดความทุกข์มานี่มันมาจากเหตุอะไรผลที่มันเกิดความสุขนี้มาจากเหตุอะไรนี่อย่างนี้เรียกว่าอติสังสันหรือจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่า ที่เราประสบความทุกข์กันโดยทุกวันนี้ที่เราบ่นกันว่าเศรษฐกิจตกษะเก็ดการใช้จ่ายไม่เพียงพ อ, อเกี่ยวกับเศรษฐกิจในครอบครัวจึงเกิดความขัดสน อ, อันนี้ก็มาจากเหตุหลายๆอย่างเป็นต้นว่าหนึ่งเกียดค้านทางานหรือเปล่าอ า, อาจจะเกียดค้านทางานก็ได้ ออาจจะเกิดมาคนในครอบครัวไม่สามัคคีกันไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเออาจจะเกิดว่าที่ทํางานนั้นได้เงินน้อยเอไม่พอเหมาะกับที่จะมาใช้จ่ายในครอบครัวได้หรืออาจจะเกิดขึ้นได้คือว่าคนในครอบครัวนั้นใช้จ่ายเกินประมาณนี่นี่เหตุมันเกิดขึ้นได้หลายๆอย่างที่ทําให้เราเกิดเศรษฐกิจตกสะเก็ดขึ้นมาะ เพราะไม่เกียรติค้านเพราะเกียรติค้านทำการงานก็ได้คนถ้าเกียรตค้านทำการงานไม่ทรัพย์สินเงินทองมันก็เกิดขึ้นไม่ได้จะมีที่ไหนทรัพย์สมบัติก็ไม่มีขึ้นอันนี้เราก็เดือดร้อนแน่นอนการดำรงชีวิตมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลำบากหรือว่าเราไม่มีความสามัคคีกันในครอบครัวไม่รับผิดชอบตัวใครตัวมันอันนี้แน่นอนที่สุด ทรัพสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้นะก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอีกเหมือนกันนะหรือว่าเราทำงานหาเงินได้เงินเดือนน้อยนะที่ทำงานให้น้อยอาจจะเป็นเพราะาหนึ่งความรู้ของเราน้อยด้วยอสองอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าที่การงานหรือตาแหน่งให้เป็นไปอย่างนั้นอันนี้ก็ทำให้ให้เกิดการ ขาดแคลนขึ้นได้นะเกิดการขาดแคลนเรื่องทุนทรัพย์ที่จะใช้จ่ายในครอบครัวได้หรือประการสุดท้ายก็คือว่าอาจจะเกิดเพราะเราไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักประหยัดใช้จ่ายเกินฐานะเกินตัวอันนี้ก็ทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นในครอบครัวได้นี่อันนี้มันมาจากเหตุที่ไม่พอดีหลายๆอย่างนะทีนี้อย่างนี้เป็นเหตุที่ให้เกิดความทุกขนะ์เป็นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ทีนี้ถ้ามาพูดเหตุที่จะให้เกิดความสุข แล้วไอ้ที่เราได้สุขนี่มันมาจากเหตุอะไรแล้วก็สาวไปาาสาวไปอาจจะเป็นเพราะว่ า, าเราเป็นคนขยันทํากิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างาไม่เลือกงานนักเอาเบาสู้ทําโดยวิธีทางที่จะให้ได้เงินมาเจือจุนครอบครัวนีอ่อย่างนี้ก็ทําให้เรานั้นเกิดความสุขได้ ถึงแม้ว่ามันจะลำบากกายแต่ก็เกิดความสุขใจและอีกหลายๆคนในครอบครัวก็เกิดความสุขอีกด้วยประการที่สามก็คือว่าประการที่สองก็คือว่าเหตุเพราะว่าเรามีความสมัครสมานสามัคคีกันมีความรับผิดชอบกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้ก็ทําให้เกิดมีความสุขได้เห็นอกเห็นใจกันหรือเหตุเพราะว่าคนในครอบครัวนั้นไม่ไปติดอบายยมุก ไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงชายไม่เป็นนักเลงการพ น, นันไม่ดื่มสุราไม่คบคนชั่วเป็นมิตรอันนี้มันก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขได้นะหรือว่าคนในครอบครัวนั้นมีความา ร, า ร, นะรู้จักประหยัดนะรู้จักประหยัดเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายรู้ว่าฐานะของตนมีอย่างนี้ก็รู้จักกระเมตกรกาะแม่นะอย่างนี้แน่นอนที่สุดมันก็จะทำให้เรานั้นมีกินมีใช้ได้นะ มีกินมีใช้ได้หรือว่าเกิดมาจากเพราะว่าเราเป็นคนเสียสละให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้มันก็ทำให้เรามีความสุขได้นี่มันเกิดขึ้นได้หลายๆอย่างนี่เราสาวไปหาเหตุว่าที่เรามีความสุขนี่อาจจะเกิดมาจากผลที่เราเสียสละน ะ, ะเสียสละวัตถุเสียสละอารมณ์เสียสละวัตถุช่วยเหลือเกื้อกูล อผู้อื่นยามตกทุกข์ได้ยากหรือในยามที่เกิดวาตภัยอุทกภัยอักคีภัยโจรภัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอือย่างนี้เราเรียกว่าอาติตังสยาม น, น่ะยามในส่วนอดีตรู้ว่าในอดีตเราทําอะไรไว้ผลจึงได้เป็นอย่างนี้นี่แล้วก็อติตังสยาม น, นี้สงเคราะห์เข้าใน ธร ร, ธ, รรธรรมปฏิสัมพิทาคือปัญญาอันแต่ฉานรอบรู้ในเหตุรอบรู้ในเหตุ ห, ตหมายถึงว่ารู้ว่าเหตุอันนี้ทำไปแล้วจะให้เกิดผลดีเหตุอันนี้ทำไปแล้วจะให้เกิดผลไม่ดีอย่างไรนี่เรารู้นะรู้ข้อที่สองอนาคตังสยานได้แก่ปรีชาอันอย่างรู้คาดเห็นผลในอนาคต อันจะกเกิดมีขึ้นเพราะเหตุที่ทำในปัจจุบันหรืออนาคตด้วยกันเช่นเห็นเหตุการณ์ในเวลานี้ว่าเหตุดีหรือชั่วเ ช, วช่นนี้แล้วก็ยังรู้คาดคะเนล่วงหน้าต่อไปว่าผลดีชั่วจะมีปรากฏตามที่ทำไว้อย่างแน่นอนเป็นอนาคตตัางตรยานเป็นอนาคตังสยานหมายความว่า เรารู้คาดการ์ข้างหน้าได้เลยว่าถ้าเราทำเหตุดีนะเราทำเหตุดีอนาคตก็จะต้องดีอนะอนาคตก็จะต้องดีแต่ถ้าเราทำเหตุไม่ดีอนาคตจะดีไม่ได้นะอนาคตจะดีไม่ได้นี่ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นในปัจจุบันหรืออนาคตที่อันใกล้นี้เราทำด้วยกันนะเราทำด้วยกันแน่นอนที่สุด อนาคตเราก็จะมีแต่ความสบายเป็นต้นว่าในปัจจุบันนี้เราตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะเราตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจประพฤติ ท, ทำปฏิบัติทำแน่นอนที่สุดอนาคตเราจะต้องเป็นคนมีความรู้เมื่อเรามีความรู้เราไปทางานเรามีความรู้ดีเราต้องได้ทำงานดีเมื่อทำงานดีเราตั้งใจทำทำงานตาม ตามฐานนะคือทําทันเวลาแล้วทําถูกเวลาแล้วก็เสร็จถูกต้องตามเวลาแล้วทําให้งานนั้นดียิ่งขึ้นเรื่อยๆรู้จักปรับปรุงแก้ไขแน่นอนที่สุดเราทายได้เลยว่าอนาคตเราจะต้องเจริญรุ่งเรืองนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแค่นี้เราก็อนาคตเราก็ดับวูบแล้วนะดับวูบแล้วนะแล้วก็เราจะไปมีหน้าที่การงานที่ไหนเพราะเราไม่มีความรู้นะฉะนั้น การที่เราจะทำงานน้อยใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาต้องเอาคนมีความรู้ผู้ที่จะบริหารประเทศหรือประจําอยู่กรกมกองกระทรวงใดนั้นจะต้องมีความรู้นะคนไม่มีความรู้จะไปทาอะไรนั้นมันก็มีแต่ทุกมีแต่ทุกนะคนไม่มีความรู้ไปแนะนำคนอื่นไม่ได้นะไม่มีใครเขาเชื่อถือนะไม่มีใครเขาเกิดศรัทธาไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนก็เหมือนกันเป็นพระนี่นะ สมมุติว่าเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเจ้าอาวาสถ้าไม่มีความรู้ก็หมดท่านะแนะนําสั่งสอนอบรมประชาชนไม่ได้นะไม่ได้เมื่อแนะนําสั่งสอนประชาชนไม่ได้ก็ขอประทานโทษจะอยู่เฝ้าวัดเมื่ออยู่เฝ้าวัดไอ้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดขึ้นกับชาวบ้านนะเขามาทำบุญสุนทานจะชี้แจงว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป ก, ก็พูดไม่ได้นะวันวันหนึ่งก็ อย่างว่านั่งแต่สดน้ําร้อนน้าช้าไปเนะี่ยอยู่ไปวันวันหนึ่งนะอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นในข้อนี้อาตมาได้เคยสอนลูกศิษย์และบอกญาติโยมว่าการที่เราจะหาคนมาเป็นผู้นำํำนะจะเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันอ่าเป็นในอําเภอหรือเป็นผู้ว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้แทนก็แล้วแต่จะต้องเอาคนมีความรู้มีความประพฤติดีนะ หรือจะหาตำแหน่งของเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอจังหวัดก็ต้องหาคนมีความรู้ไม่มีความรู้อย่าได้เอามาเอามาแล้วมันถอดยากตั้งไปแล้วถอดยากนะแล้วจะไปเดินขบวนเรียกร้องอะไรมันก็ดูไม่ใช่ทีเพราะเราไปหามาเองฉะนั้นขั้นแรกขอให้เอาคนมีความรู้ไว้ก่อนคนมีความรู้ก็คือคนฉลาดไปอยู่ที่ไหนก็แนะนําให้คนผู้นั้นฉลาด ไปอยู่กับชาวบ้านก็ทําให้ชาวบ้านฉลาดไปอยู่กับพระก็ทําให้พระฉลาดมีแต่ความรุ่งเรืองทําให้สังคมประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีความรู้ในหมดท่าจริงๆเหมือนกับคนตาบอดและจะไปแนะนําให้พวกตาสีตาสาซึ่งก็ตาบอดอยู่แล้วอก็ยังไม่เห็นกันใหญ่ไ อ, ตอ้ตาบอดจุงคนตาบอดมันก็ตกองกันไปทั้งคู่นะตกองกันไปทั้งคู่ฉะนั้นขอให้ อผู้ฟังทั้งหลายลองนําไปพินิษพิจารณาว่าที่พูดนี้มีความจริงไหมนะมีความจริงไหมฉะนั้นจึงบอกว่าอนาคตสัญญาได้แก่ปรีชาอันอย่างรู้อนาคตอเห็นผลในอนาคตจะเกิดจากมีขึ้นเพราะเหตุที่ทําในปัจจุบันนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะถ้าทําในปัจจุบันดีอนาคตก็ดีทําในปัจจุบันไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีนะไม่ดี นี่ฉะนั้นในข้อนี้จึงมีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าโยจะปุกเพ ป, ม, ป, ปมัดชติตวาปัจฉาโซนปมัชติโสมังโล ก, กังปพาเสติอภามุตโตวจันทิมาผู้ใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังไม่ประมาทเหมือนพระจันทร์อันผลแล้วจากหมอกเมฆฉะนั้นหมายความว่าคนที่ประมาทแล้วในเบื้องต้นไม่มีการศึกษาเล่าเรียน ในวัยที่ควรศึกษาเล่าเรียนแต่พอมาถึงวัยกลางคนมาสำนึกได้ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเช่นเรียนศึกษาผู้ใหญ่สมัครสอบอมีความรู้ดีอันนี้ก็เหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากหมอกเมฆตอนในวัยต้นก็เหมือนกับพระจันทร์ที่ยังถูกเมฆหมอกปิดบงังมืดมัวไม่รู้อะไรแต่พอไปถึงวัยกลางคนเข้าแล้วพระจันทร์นั้นพ้นจากหมอกเมฆก็แสงสว่างนวลใหญ่ เหมือนกับคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มีความรู้ความฉลาดบางคนมาศึกษาผู้ใหญ่มาศึกษาอายุยี่สิบสามสิบปีได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นอธิการบดีก็มีนะเป็นผู้มนุยการก็มีนะเป็นด็อกเตอร์ก็มีนี่เป็นนายอเภอก็มีเยอะแยะไปะบางคนเรียนมาตั้งแต่ต้นยังไม่มีโอกาสได้เป็นอย่างนี้ะฉะนั้นจึงบอกว่าคนเปิดโอกาสให้ว่าผู้ใดประมาทแล้วนะในปฐมวยัย นะหรือในที่แล้วแล้วมาแต่ว่าบัตรนี้คิดกับเนื้อกับใจตั้งต้นใหม่เรียนใหม่ปฏิบัติทําใหม่สร้างคุณงามความดีใหม่นะโอกาสหรือนาทีทองก็จะเป็นของเราเรื่องการทําดีไม่มีสายนะมีคํากลอนบทหนึ่งว่าการทําดีไม่มีสายโปรดได้คิดเมื่อชีวิตผิดหวังตั้งต้งตนใหม่อย่ารีรอรวบรัฐตัดสินใจ จะสดใสาหากตั้งจิตคิดทำดีนี่เห็นไหมว่าถ้าคนทำดีแล้วก็จิตใจสดใสทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าทำไม่ดีแล้วก็แน่นอนจิตใจมันก็เศร้าหมองนะจิตใจมันก็เศร้าหมองฉะนั้นการที่เราได้ อ, อยังรู้อาคาดเห็นผลในอนาคตที่จะเกิดมีขึ้นเพราะเหตุนในปัจจุบันดีอ่า อีกอย่างหนึ่งอนนาคตังสยา น, นีก็สงเคราะห์เข้าในอัถฐไปสัมพิทาคือปัญญาอันแตกฉานรอบรู้ในผลในผลข้อที่สามปัจจุบันนังสยานได้แก่ปรีชาอันอย่างรู้ในกิจที่ควรทําหรือไม่ควรทําในเมื่อเหตุดีหรือเหตุหรือชั่วหรือผลดีหรือชั่วเกิดขึ้นในปัจจุบันทันใดว่าควรทําอย่างไร ควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อเหตุและผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นอย่างนี้เรียกว่าปัจจุปัจจุปันนังสยานคือหมายความว่าให้เราเรารู้ว่าในปัจจุบันหรือว่าในขณะนี้เวลานี้เนี่ยเราควรทําอะไรเราไม่ควรทําอะไรออในเมื่อเหตุดีหรือชั่วหรือผลดีผลชั่วเกิดขึ้นในปัจจุบันทันใดว่าเราควรจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร นี่ข้อนี้สำคัญข้อนี้แหละเป็นเป้าหมายแห่งการปฏิบัติธรรมนะเป็นเป้าหมายแห่งการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมุ่งเอาเปดเอาปัจจุบันเป็นใหญ่นะคนเราทุกวันนี้การดำรงชีวิตเนี่ยมักไม่ค่อยได้นึกถึงในปัจจุบันมักจะไปคิดถึงแต่อดีตมักจะไปนึกถึงแต่อนาคตเลยไม่รู้ตัวว่าตัวเองนี่เป็นอะไรตัวเองทาอะไรและจะ จะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไปนี่จึงแก้ปัญหาชีวิตไม่ออกนะแก้ปัญหาชีวิตไม่ออกนี่แหละจึงมีแต่ความทุกข์มีแต่โทษมากเหลือเกินนะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมากเหลือเกินฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าหากว่า เ, าเรารู้จักแก้ปัญหาชีวิตนะรู้จักแก้ปัญหาชีวิตแน่นอนที่สุดอ่ขอให้เรานึกถึงในปัจจุบันให้มากมีสติว่าเราเป็นอะไรมีหน้าที่อะไร แล้วเราทำถูกหน้าที่แล้วหรื อ, อยังนี่แล้วที่เราเขามอบหมายให้เราทำงานงานอันนั้นเราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้มันดีขึ้นถ้าเรารู้ว่าเราทำไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีรู้ว่าการงานนั้นยังบกพร่องก็ปรับปรุงการงานให้ดีขึ้นแน่นอนที่สุดรู้อย่างนี้ก็จะมีแต่ความสุขก็จะมีแต่ความเจริญนะมีแต่ความเจริญฉะนั้นในปัจจุบันนังสยา น, นี ท่านสงเคราะห์เข้าในปฏิภาณนนปฏิสัมพิทาคือมีปัญญาอันแตกฉานรอบรู้ในเหตุการณ์ทันทีทันใดคือในปัจจุบันทันด่วนดังนั้นยาณทั้งสามนี้กล่าวสั้นๆก็คือว่าอาติตังสยานรู้จักเหตุอนาคตังสยานก็คือรู้จักผลปัจจุบันนังสยานรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลที่ควรจะปฏิบัติทั้งในเวลานั้นๆทุกๆลมหายใจถ้าจะมีปัญหาถามว่า อายานกับวิชาต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรยานสามนี้เทียบกับมรแปดข้อไหนได้หรือไม่อันนี้อันนี้ก็ขอให้ตอบได้เลยว่าต่างกันโดยพยัญชนะนะยานกับวิชาวิชาก็แปลว่ารู้ยานก็แปลว่ารู้ส่วนเนื้อความนั้นเหมือนกันเช่นวิชาสามบางแห่งก็เรียกว่ายานสามวิชาสามบางแห่งก็เรียกว่ายานสาม เน็่นตั้งแต่ปุเพนิวาสานุสติญาณเรียกว่าปรีชาอย่างรู้การเกิดขึ้นนะในในการก่อนว่าเจนระลึกชาติได้นะระลึกชาติได้ไปตั้งเป็น100ร้อยร้อยชาติห้าร้อยชาติว่าตนเป็นอะไรนี่ปุเพนิวาสานุสติญาณหรือจุดที่สองจุดตูป ป, ป, ป, ปาตยญาณ รู้การเกิดการตายของสัตว์นะว่าสัตว์ตัวนี้เกิดมานี่ด้วยกรรมอะไรตายลงด้วยกรรมอะไรนี่นี่อย่างนี้รู้ เ, เรียกว่าจูตูปปาตยานข้อที่สามอาสวัคคยายานรู้จักทำอาสวักิเลสให้หมดสิ้นไปนะให้หมดสิ้นไปเอรู้อย่างนี้เรียกว่าอารู้กิจที่ควรกระทําก็คือรู้อริยสัจสี่นั่นเองรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์ รู้ความดับทุกข์รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์นี่อย่างนี้เรียกว่ายานหรือเรียกว่าวิ ช, ชาก็ได้นะไม่ต่างกันแต่ถ้าจะเทียบกันได้กับถ้าจะเทียบกับมรรคปดก็เทียบกันได้กับสัมมาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเพราะว่าสัมมาทิฏฐิโดยอัดก็ได้แก่ตัวปัญญานะดูได้แก่ตัวปัญญาตัวปัญญาก็คือตัวรู้เหตุรู้ผลนั่นเอง รู้เหตุรู้ผลก็คือรู้ทุกนันแหละนะรู้ทุกรู้เหตุแห่งความทุกอทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะเอเหตุให้เกิดทุกก็ได้แก่ตัวสมุทยัยนะตัวสมุทายนี่คือเหตุให้เกิดทุกก็ได้แก่ตัวตันหาไอ้ตันหานี่แหละมันทําให้เราตาหันนะต้องหันไปรอบๆนะได้ยินเสียงอะไรก็หันได้ยิงเสียงดาก็หันเสียงอเขาชมก็หันอ เรีว่าหันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขกามตันหานี่ยังแยกออกไปเป็นสามเช่นการมาตันหาก็อยากในกามในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสเพราวะตันหาก็คืออยากมีอยากเป็นอยากเป็นโน้นอยากเป็นนี่อยู่ร่ําไปก็เป็นทุกข์วิปวะตันหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นหรือพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็คือไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นเป็นอย่างนั้นเบื่อ นะเบื่อเบื่ อ, อยากอยากเนะี่ยไอตัวนี้บเบื่อเบ่อยากอยากนี่แหละเป็นวิภาวะตัณหาอันนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ที่เราเกิดขึ้นกับเราทุกวันนี้เกิดมาจากทางนี้นะไม่ได้เกิดมาจากทางไหนเกิดมาจากทางนี้ทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้นะรู้อย่างนี้ว่ามันเกิดแบบนี้ก็รู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจนะจะมีแต่ความสุขกายสบายใจฉะนั้น ตัวเหตุให้เกิดทุกข์นี่ถือว่าสําคัญทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเอเกิดลงด้วยเหตุแล้วก็ดับลงที่เหตุถ้าเราแก้เหตุได้ก็สบายถ้าเราแก้เหตุไม่ได้แน่นอนที่สุดเราก็จะต้องทุกข์อยู่ร่ําไปนะมีความทุกข์อยู่ร่ําไปฉะนั้นขอให้เราทุกคนมาพิจารณาถึงเรื่องเหตุนี่สําคัญนะเหตุดีผลก็ดีเหตุชั่วผลก็ชั่วเหมือนกับอาภาษิตบทหนึ่งว่า เยธรรมมาเหตุปปภาวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุทำนั้นก็จัดจักจักดับลงด้วยเหตุนะจักดับลงด้วยเหตุเหมือนกันหรื อ, อยังกับบทหนึ่งว่ายาที่สังวัปะเตปีชังตาที่สังระปะเตพลังกาลยานาการีกาลยานังปาปะการีจะปาปะกังบุคคนทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่ว หรอพูดง่ายๆบุคคลวานพืชเช่นใดก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นอวานทั่วก็ต้องได้ทั่ววานงาก็ต้องได้งาปลูกข้าวก็ต้องได้ข้าวทำดีก็ต้องได้ความดีทำชั่วก็ต้องได้ความชั่วอันนี้มันเป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาวานทั่วจะไปได้งาไม่ได้ปลูกข้าวจะไปได้เอทั่วไม่ได้นี่มันผิดหลักความจริงฉะนั้นเราทำความดีต้องได้ความดีความดีมันมันเป็นนามธรรมมันเกิดขึ้นอยู่ที่ใจคือได้ความสุขกายสบายใจ แต่คนทุกวันนี้ไปเข้าใจผิดไปเข้าใจว่าความดีนั้นก็คือลาบยศนะพวกลาบยศแก้วแหวนเงินทองอันนั้นมันมั น, ม, นมันเป็นผลต่อมาอีกอีกทอดหนึ่งนะเป็นผลที่เราได้มาอีกทอดหนึ่งฉะนั้นประการแรกขอให้เข้าใจว่าความดีนั้นคือความสุขกายสบายใจนะความสุขกายสบายใจประการที่ 3. ก็ได้แก่ตัวนิโรธนะก็คือตัวความดับดับทุกข์ก็คือได้แก่ดับตัณหาโดยสิ้นเชิงนะเป็นอกุปปาธรรมคือเป็นธรรมที่ไม่กำเริบนะไม่กำเริบเสดสารหมดกันนะถอนโรคอขอประทานโทษถอนรากถอนโคนกันหมดหทีนี้ข้อที่สี่ก็คือนิโรธาคามินีปฏิปทาหรือได้แก่มรรคนั่นเองอ่านะก็คือมรรคมีองแปด นะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะอาสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์น่ะเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ท่านถ้าหากว่าเราเข้าใจนะเราเข้าใจเรื่องมรรคแปดแน่นอนที่สุดการปฏิบัติธรรมก็จะมีแต่ความสะดวกความสบาย มรรคแปดนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นเราจะต้องเป็นมรรคสมังคีคือต้องทำพร้อมกันนะไม่ใช่ข้อหนึ่งข้อใดเกิดขึ้นต้องทำพร้อมกันนะเราก็ตอบอย่างนี้ทีนี้ถ้าจะถามว่ายานทั้งสา ม, มีความหมายเพียงแค่ไหนนะอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าอาตีตังสยานหมายเอาปัญญาอันรู้จากสาวหาเหตุการณ์หนนหลังอันล่วงมาแล้วซึ่งบันดาลให้เกิดผลในปัจจุบัน อนาคตัางสยานหมายเอาปัญญาอันรู้จักคาดเห็นในเห็นผลในอนาคตอันจักมันเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือในอนาคตด้วยกันพร้อมๆกันส่วนปัจจุบันนางสยานนั่นหมายเอาปัญญาอันรู้จักว่าควรทําอย่างไรในเมื่อเหตุหรือผลเกิดขึ้นในทันทีทันใดรู้จัก ตัดสินแก้ปัญหาเรียกว่าใช้ไหวพริบปฏิพานแก้ปัญหาอย่างฉับพลันอย่างนี้แหละ เ, เรียกว่าปัจจุปันนังสยานฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องยานนะเมื่อพูดถึงเรื่องยานก็คิดว่ า, าพวกเราทั้งหลายาที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องยานทั้งสามหมาก็พอเป็นแนวทางแล้วว่า ญาณสาประการนี้เป็นความรู้ชั้นสูงสำหรับคนมีปัญญาสามารถประกอบอการงานได้คล่องแคล่วไม่ติดขัดปฏิบัติได้ผลเต็มที่เพึงเห็นดังพระศ า, าสดาเป็นอุทาหรณ์พระองค์มีปัญญาพิจารณาเห็นเหตุการณ์อันล่วงมาแล้วอันบันดาลให้เกิดผลในปัจจุบันอย่างในเมื่อทรงบำเพ็ญทุกรกรยา ความเพียรชนิดนี้ให้ผลเป็นอัตตกิลมัฐานโยคไม่ใช่ทางตรัสรูจึงทรงระลึกถึงความเป็นพระราชกุมารเสด็จไปแรกนาะฝันกับพระราชบิดาทรงนั่งขัดสมาธิกำหนดลมอัศสาะศาปัสสะคือหมายถึงว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกจนกจิตเป็นสมาธิได้ปฐมฌานนะการปฏิบัติทางใจคงเป็นทางแห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นแน่ ในปัจจุบันหรือในอนาคตก็พยายามไม่ลดละในขณะที่ทรงบำเพ็ญรีบแก้ไขในเมื่อต้องการเหตุผลหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในทัมทีทันใดจนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นผู้พิชิตมารต่างๆได้พิชิตมารต่างๆได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนลองเอาญาณสามนี้มาดำเนินชีวิตในปัจจุบันเราก็จะ แก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิตได้แต่ว่าเราทุกคนนี้ไม่ค่อยคิดกัน อ, อมักจะไปนึกถึงแต่เรื่องอดีตแต่เรื่องที่แล้วแล้วมาไอการไปนึกถึงอดีตกับเรื่องที่แล้วแล้วมานั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเป็นการเพ้อฝันเปล่าเป็นการลมๆแง้แงๆอ อ, อย่างนี้เขาเรียกว่าหลักลอยนะทําไม่ถูกหรือบางคนก็ไปนึกถึงแต่เรื่องอนาคตอืมไปนึกถึงแต่เรื่องอนาคตการที่เราทิ้งอดีตก็ดี แล้วก็ไปไกวคว้วาหาอนาคตอย่างนี้ก็ผิดทั้งหมดนะไม่ถูกการดําเนินไม่ถูกถ้าหากว่าใช่ถูกนั้นเราต้องมาคํานึงถึงในปัจจุบันเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องนึกถึงในปัจจุบันว่าเรามีหน้าที่อะไรบัดนี้เราตั้งใจเรียนหรือเปล่าเราขยันเรียนหรือเปล่าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็บัดนี้เราตั้งใจปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเราขาดสติหรือเปล่าใจเราเป็นสมาธิหรือเปล่าใจเราสงบหรือเปล่า นี่เราควรจะตั้งปัญหาถามอย่างนี้แม้ว่าเราจะเป็นข้าราชการกรมกองไหนเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องตั้งปัญหาว่าบัดนี้เราทาอะไรนะเราทาอะไรอยู่สมกับที่เขาไว้วางใจเราหรือเปล่าทุกวันนี้มีแต่คนเอาเปรียบ ก, กันนะรู้มากนะไอ้รู้มา ก, นะมากด้วยการเรียนรู้มากๆหลายๆอย่างอันนั้นดีแต่ไอ้รู้มากแล้วก็ไม่ทำงานตามความรู้ของตนคือทำนิดนิดหน่อยหน่อย หาโอกาสเลีกเลี่ยงคอยหลบอย่างนี้เรียกว่ารู้มากเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบคนอื่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ก็นอกจากตัวเองจะไม่เจริญก้าวหน้าแล้วก็ยังทําให้สังคมประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้าด้วยอย่างนี้ถือว่าคนไม่ฉลาดประเทศชาติใดถ้ามีคนประเภทนี้อยู่ประเทศชาตินั้นก็เดือดร้อนนะอาจจะเกิดการคอร์รัปชันคอร์รัปชันเรื่องเวลาคอร์รัปชันเรื่องการงาน นะไม่ถูกไม่ควรฉะนั้นจึงขอให้เราทุกคนนั้นอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปคำหนึงอย่าไปนึกถึงอดีตนะแล้วก็อย่าไปนึกถึงอนาคตนะแต่ให้เรากําหนดแต่ในปัจจุบันว่าบัดนี้เราทําอะไรแล้วพยายามตั้งใจทําตั้งใจศึกษาตั้งใจเล่าเรียนเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญอันหนึ่งพูดสั้นๆ สรุปของยานอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ายานที่หนึ่งก็คือรู้จักเหตุยานที่สองก็คือรู้จักผลยานที่สามก็คือรู้จักทั้งเหตุทั้งผลทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของยานสามฉะนั้นการบรรยายเรื่องยานสามมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีวันนี้จะได้พูดในหมวดที่สามว่าด้วยเรื่อง ยานสามนะว่าในเรื่องยานสามคืนหนึ่งสัจจยานปรีชาอย่างรู้กิจอริยสัจสองกิจจยานปรีชาอย่างรู้กิจอันควรทมสามกะตจายานปรีชาอย่างรู้กิจอันทำแล้วนะประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย มาทำความเข้าใจกับคำว่ายานเสียก่อนเพราะรู้สึกว่าคำว่ายานนี้เราจะได้ยินได้ฟังมากบางครั้งมันก็เป็นการพ้องรูปพ้องเสียงแต่ว่าเนื้อหาสาระบางอย่างก็เหมือนกันบางข้อก็แตกต่างกันฉะนั้นยานสามที่ได้กล่าวไปในคราวที่แล้วที่บอกว่า อาตีตังอาตีตังสยานคือยานในส่วนอดีตอนาคตังสยานยานในส่วนอนาคตปัจจุบั น, นังสยานยานในส่วนปัจจุบันจึงแตกต่างกับยานที่กําลังพูดอยู่นี้เพราะว่ายานในที่นี้ก็แปลว่าความรู้เหมือนกันนะแต่จํากัดลงในความหมายสามประการ น, นะคือสัจญานปรีชายัางรู้อ่ายัางรู้อริยสัจนะ คือหมายถึงว่ายังรู้อริยสัจสี่นะยังรู้อริยสัจสี่ที่ว่ายังรู้อริยสัจคือรู้ยังไงนะคือรู้รู้ยังไงคือรู้ว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นของทุกข์จริงๆนี่เป็นของทุกข์จริงๆเพราะเป็นธรรมชาติที่ทนได้ยากนะเพราะเป็นธรรมชาติที่ทนได้ยาก ตัณหาทั้งสามประเภทมีการมาตัณหาเป็นต้นที่เรียกว่าความทะเยอทะยานอยากเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆนะหรือว่าให้ทุกข์เกิดจริงๆความดับตัณหาให้สิ้นเชิงทุกข์จึงดับไปทุกข์จึงหมดไปเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์มีจริงและรู้ว่านี้เป็นทุก นนี้เป็นทุกข์ก็คือนิโรธคามีนีปฏิปทาขนทางแห่งความดับทุกข์อมีจริงนี้เรียกว่าสัจจยาน น, นี้เรียกว่าสัจจยานอันนี้พวกอนักเรียนบางคนอาจจะงงๆว่าหมายถึงว่าคําว่าสัจจยานปรีชายอย่างรู้กิจอริยสัจคือหมายถึงว่ากิจที่จะต้องทําในอริยสัจน่ะมันมีอยู่สี่ เอคื อ, อยังรู้ว่านี้ทุกเอนี้สมุทยัยนี้นิโรธนี้คือทุกขะนิโรธคามินิปฏิปทาก็คือมรคนั่นเองอถ้าพูดอย่างนี้เราเข้าใจอว่านี้คือทุกนี้คือสมุทยัยนี้คือนิโรธนี้คือมรอแต่เราจะต้องขยายนะขยายให้มันกว้างออกไปอีกหน่อยนะให้มันกว้างออกไปเราจะได้เข้าใจนะจะได้เข้าใจกว้างขวางขึ้นไปว่า ไอ้ที่ว่ายังรู้ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะนทุกข์นี่ก็ยังแยกออกไปนะทุกข์นี่ก็ยังแยกออกไปเพราะทุกข์นั้นถ้าแบ่งอย่างใหญ่ๆแล้วก็มีอยู่สองอย่างนะมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์ก็ได้แก่การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ หรือที่เราท่องในเรื่องของบทสวดมนมต์คำวัดว่าชาติปิทุกขาแม่การเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณมปิทุกขังแม่ความตายก็เป็นทุกข์นี่ความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์แต่เรามักจะพูดว่าเกิดแก่เจ็บตายเพิ่มตัวปรยัติเข้ามาว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทีนี้ก็อธิบาย ให้ายละเอียดออกไปอีกหน่อยว่าให้ที่ว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างไรเพราะว่าเราทุกคนนี้รู้สึกว่าอยากเกิดกันทั้งนั้นนะไม่มีใครที่ไม่อยากเกิดนะอยากเกิดกันเนือเกินสังเกต ด, ดูเวลาไปไหว้พระกราบพระก็เอาแล้วตั้งความปรารถนาแล้วเจ้าก็ะคุนเกิดชาติใดแสนใดนีนะ่เราบอกแล้วว่าเกิดชาติใดแสนใดขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้ร่ํารวยนะ ขอให้ได้มรรคผลนิพพานเนี่ยคือเราปรารถนาว่าอยากเกิดนะนี่ไม่มีใครปรารถนาอยากให้มันหมดกิเลสไปเหลือเกินนะอันนี้เราไม่ค่อยปรารถนาไม่ได้ปรารถนาว่าขอให้พระเจ้าที่ตั้งใจปฏิบัติทำนี้เอ่ขอให้หมดทุกหมดจบหมดโรค ห, หมดภยัยหมดจากกิเลสตัณหาเราไม่ค่อยได้คิดอย่างนั้นนี่ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนมาให้เราไม่เกิดจะได้ดีนะไม่เกิดจะได้ดีอเพราะว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์ นะการเกิดเป็นทุกพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าทุกขาชาติปุณปุนังว่าการเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทุกนะการเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทุกฉะนั้นไม่เกิดขึ้นจะได้นั่นแหละเป็นสุขพระพุทธองค์จึงตรัสในอเนกชาติสังสารังสันาวิสังอเนพิสังคหะการังเเวสันโตเป็นต้นว่าเราได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเป็นแสนแสนชาตินะ ชันแสนชาติก็เพื่อจะแสวงหาไอ้ตัวสร้างบ้านสร้างเรือนบัดนี้เราได้พบแล้วไอ้ตัวสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างพบสร้างชาติก็คือไอ้ตัวตันหาและเราก็ได้ทำลายแล้วตันหาขยามัชฌานะอ่าถึงทัพแล้วหมดสิ้นแล้วนะอ่าหมดไปแล้วเราก็จะมีแต่ความสบายเรียกถึงนิพพานแล้วพวูดง่ายๆนิพพานนังประมังสุญญยังนิพพานเป็นของศูนย์ นิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมนะเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมฉะนั้นความเกิดนี่แหละเป็นทุกข์นะก็ทําไมละ่ะเพราะเราเกิดมาก็เกิดมาด้วยอวิชชาด้วยอํานาจอาวิชชาไอตัวโ ง, ไวง่ไอตัวทุกนั่นเองเมื่อเราเกิดมาโง่แล้วแน่นอนที่สุดเราก็ต้องมามีรับความทุกข์ต่อไปนะความทุกข์ต่อไปไหนจะต้องมาลำบากลําบนนะ ลำบากลำบนไอ้จริงๆแล้วคนเรานะ่ยมันทุกตัวตสภาวะอยู่แล้วนะทุกตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิแล้วพราอตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเป็นเริ่มเป็นจุดเป็นกลลละเล็กๆน้อยๆเนี่ยไอ้กลลละและจุดนั้นนะมันเป็นทุกข์ไม่สามารถที่จะคงอยู่ในสภาวะอย่างนั้นได้ต้องขยายใหญ่ไปด้วยต่อไปก็เป็นพอห้าพอห้าอาทิตย์สัปดาห์ที่ห้าก็กลายเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นสาขาอะไรขึ้นมานี่ นี่อย่างนี้แหละจึงเรียกว่ามันเป็นทุกข์นะเรียกว่าทุกข์โดยสภาวะคือคําว่าทุกข์นี่แปลว่าสภาวะที่ทนอยู่ได้ยากเี่ยที่ทนอยู่ได้ยากที่ทนอยู่ไม่ได้มันเกิดความคับแค้นมันเกิดการบีบขั้นขึ้นทําให้ทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ดงั้นในตัวอนิจจังกับตัวทุกขังนี้พูดไปแล้วก็เหมือนว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะพูดอันหนึ่งอันเดียวกันก็เป็นที่รู้กันนะเพราะอนิจจังก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่ ในทุกขังก็คือว่ามันก็ไม่คงที่เหมือนกันมันทนอยู่ได้ยากเรานั่งมันปวดเมื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผเรายืนปวดเมื่อยเราก็ต้องเดินเราเดินปวดเมื่อยเราก็ต้องนั่งนั่งปวดเมื่อยก็ต้องนอนนอนปวดเมื่อยเราก็ต้องลุกขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงบอกว่าเมื่อเราเกิดมามันเป็นทุกข์ตั้งแต่เริ่มไปสนทิฉนั้นเมื่อออกจากท้องพ่อทำไมเราก็เป็นท like. ุกข์ใหญ่เนี่ยเป็นทุกข์เราสังเกต ด, ดูเด็กออกมาต้องร้องนะ ถ้าเด็กไม่ร้องก็ถือว่ามีปัญหามานะเด็กแรกเกิดมีปัญหามะา อ, อาจจะต้องเด็กคนนั้นถือว่าไม่สมประกอบถือว่าวิกลตวิ ก, การลฉะนั้นอ้าเด็กเกิดมาต้องร้องนเะฉะนั้นเราเมื่อเราเกิดเป็นร้องไหนร้องเพราะไอ้ความเจ็บปวดที่เราต้องมาเสียดสีกับอพวกาสายลมแสงแดดของภายนอกเสียดสีกับอโครงของมดลูกที่เราต้องคลอดออกมาถูกบีบถูกอคันอะไรหลายๆอย่างนะ ไม่ใช่เฉพาะอย่างนั้นเมื่อเราออกมาเราก็เป็นทุกข์ทุกข์อะไรเดี๋ยวก็หิวอาหารทุกข์เกี่ยวกับการที่จะต้องไปขับถ่ายอของเสียออกอีก น, นี่มันเป็นทุกข์ทางนั้นเดี๋ยวไม่มีอาหารกินเราก็เป็นทุก์กินแล้วเราก็เป็นทุกข์อยากจะออกขึ้นมาอีกแล้วแล้วเราโตขึ้นหน่อยเรามีเพื่อนมีผูงเดี๋ยวก็โกงกันรังแกกันมันก็เป็นทุกข์ พอโตขึ้นอีกหน่อยก็ต้องไปเรียนหนังสือรู้สึกมันเป็นทุกข์ทางนั้นนะรู้สึกว่าเป็นเด็กนี่มันเบื่อหน่ายไม่ค่อยอยากเรียนหนังสือเรียนไปเรียนโรงเรียนก่อเดินเหินลำบากไปลำบากฝนตกฟ้าร้องแดดออกไปแล้วก็ครูดุบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดเป็นทุกข์ทางนั้นเอาพอเรียนจบแล้วก็เราก็มีเพื่อนมีเพื่อนนักเรียนมีเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวเดี๋ยวเป็นทุกข์อีกแล้วเกิดความรักความใตรกันเกิดการประเมินกันเกิดการอิจฉานสียกันนำไปทุกข์อีกแล้ว พอเรามีครอบครัวไปก็เพิ่มทุกข์ใหญ่เลยเอทุกคนนั้นแบกภาระไว้กันคนละอย่างคือขันห้าต้องคอยบางต้องคอยบริหารนะต้องคอยบํารุงบําเรอขันห้ากันอยู่ตลอดเวลาก็คือรูปเวทนาสัญญาสำคัญวิญญาณต้องสแสวงหามาให้มันนะต้องสแสวงหาความสุขกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ไม่ได้สมใจสุขบ้างทุกบ้างอุเบกขาบ้างนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็ เมื่อเราแสวงหามันก็ไม่ได้ดังจิตนังใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมันเป็นอนิจจังมันฝืนความปรารถนาของเรานะมันไม่จรรมย่างเยินมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็เราก็คิดได้เลยว่านี่แหละคือมันเป็นทุกขนะมันเป็นทุกฉะนั้นจึงขอให้เราอ่าคิดไว้กําหนดไว้ทุกคนเลยว่าอ่าเมื่อเราเกิดมาเป็นทุกขก็คือตัวที่ทุกที่เราจะต้อง อคอยประครับประครองเกี่ยวกับเรื่องขันห้าแล้วพอเราได้มีได้ภรรยาก็เท่ากับว่าเราไปแบกเข้ามาอีกห้าก็เป็นสิบขันเป็นสิบขันเป็นสิบขันเขาแล้วอ้าวพอเรามามีลู ก, ออกคนอีคนึงก็เพิ่มไปอีกอีกห้าขันก็เป็นสิบห้าแล้วสองคนก็เป็นยี่สิบสามคนก็เป็นยี่ห้าอะไรเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆเป็นยี่สิบขึ้นมาเป็นสามสิบขึ้นมาสี่สิบขึ้นมามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับเราถือขันห้าใบแล้วพูดง่ายๆ เราเนี่ยถือขันของเราห้าใบพอมีภรรยาก็เพิ่มมาว่าเป็นสิบใบเพราะเราก็จะต้องอเลี้ยงต้องคอยประคับประคองปกป้องลกูกเมียของเราให้ความเลี้ยงดูของเราอามีลูกเราก็ต้องรักลูกหวงเห็นลูกสร้างอนาคตให้กับลูกก็เพิ่มขันอีกห้าใบก็เป็นสิบห้าใบเนี่ยมันก็อีดวงตุงนงังมันก็ยิ่งทุกข์มากมันยกใหญ่อันนี้นี่เราเห็นได้ชัดนะว่าเกิดเป็นทุกข์นะเกิดเป็นทุกข์แกมันก็เป็นทุกข์อืมแก่มันก็เป็นทุกข์ คนคนเราพอแก่นี่หมดท่านะหมดท่าเลยมันไม่เหมือนไอ้แก่อ้อยแก่มาพร้าวยิ่งแก่มันก็ยิ่งหวานยิ่งมันนะยิ่งแก่ยิ่งหวานยิ่งมันแต่ไอ้แก่อ้อยแก่พร้าวมันแก่แล้วคนก็เอาตัดเอามากินมาพร้าวแก่แล้วคนก็เอามาขูดเอามาอ่าคั้นอทําขนมทําอาหารกินไอ้คนเราเหมือนกันพอแก่แล้วนี่มันไม่เหมือนเป็นอย่างนั้นมันหมดท่าเลยไม่มีใครต้องการคนแก่ นะไม่มีใครต้องการพรแกแล้วก็อวัยวะทุกป่วนมันก็ล้าหลังไปหมดหูฟ้าตาฟางนะหูกอดตึงหูกอหนักตากาะฟางฟันก็โยกตอนนังมันกอเหยียดเอ็นเอ็นมันกอรัดลึงแข่งขามันกอดตึงไปหมดจะลุกทีนั่งทีก็ร่องโอดโอยนะมันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยอยากจะกินอะไรก็ไม่ได้สมใจอยากจะดูอะไรก็เห็นไม่ชัดอยากจะฟังอะไรก็ฟังไม่ค่อยทถนนัก อาจะเดินจะเหินจะลุกไปไหนมันคล่องแคล่วมันก็ไม่สะดวกนี่แหละมันเป็นเพราะไอ้ความแก่นั่นเองนะความแก่นั่นเองเป็นธรรมดาของสังขารฉะนั้นความแก่นี่มันเกิดขึ้นสองอย่างคือหนึ่งเขาเรียกว่าอ่าปฏิชนะชาราออปฏิชนะชราเขาเรียกว่าแก่ปิดนะอ่าแก่เปิดปฏิชนะชารานี่ยเขาเรียกว่าเอแก่ปิดอปฏิชนะชราไม่ก็แก่เปิด แก่ติดก็คือว่าอย่างคนท้องแก่คนมีคันเรามักจะว่าคนท้องแก่จริงๆแล้วท้องมันไม่ได้แก่จริงๆแล้วเด็กมันแก่นะแล้วเด็กมันก็ดันท้องให้โป่งลงไปออย่างนี้เขาเรียกว่าคนท้องแก่นะเรียกว่าคนท้องแก่แต่จริงๆแล้วเด็กมันแก่นะอย่างนี้เรียกว่าเด็กมันแก่นี่แหละเขาเรียกว่าแก่ติดไอส่วนแก่เปิดก็คือว่าอย่างพวกเรานี่เห็นหมดเลยหูป้าตาฟางนั่งหนังหิวเยิ้มย่นผมหงอกไอ้อย่างนี้ นี S <S ่แหละอย่างนี้เขาเรียกแก่เปิดเราเห็นหมดทุกส่วนนี่เราเห็นหมดทุกส่วนฉะนั้นจึงบอกว่าไอ้ความแก่เนี่ยแม้มันลําบากไอ้ตัวเองก็เบื่อหน่ายตัวเองนะเบื่อหน่ายตัวเองคนอื่นก็เบื่อหน่ายเรานะคนอื่นก็เบื่อหน่ายเราตัวเองก็รังเกียจตัวเองนะตัวเองก็รังเกียจตัวเองอในความแก่แล้วก็ไอ้ความพอแก่แล้วมันลําบากนะ เดี๋ยวไอ้กี่ไอจะลุกไปทางไหนจะทำกินแล้วไม่ได้กินแกแล้วก็ บ, บนจูดจีใจน้อยเนี่ยมันสารเพศสารพัดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นจึงบอกว่าแกนี่หมดท้านะแกนี่หมดท่ามาในข้อที่สามก็คือความตายความตายก็เป็นทุกข์คือมันตายเขาเรียกว่าเป็นทุกข์เพราะไม่อยากจะตายนี่เป็นทุกข์เพราะไม่อยากจะตาย แล้วคนเราพอตายก็ไอ้ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันหมดหายไปสิ้นเลยความตายทํำลายหมดสิ้นแต่ถ้าหากว่าเราตายจากกิเลสอันนั้นดีแต่ว่าไอ้แก่ตัวตายคนนี้รู้สึกว่าเราเสียดมเสียดายเราไม่อยากตายนะไม่มีใครอยากตายนะโดนมากไม่อยากตายนี่นี่แหละมันเป็นทุกตรงไอ้ไม่อยากตายฉะนั้นอพอเราตายแล้วไอ้ความสุขที่เราเคยเสวยมาทุกสิ่งทุกอย่าง จากลาบยศุกสันเสริญยืนเดินนอนนั่งเดิมทำพูดคิดนี่มันก็หายวูบไปหมดเลยนะหายวูบไปหมดเลยฉะนั้นนี่แหละเราจึงเป็นทุกข์เพราะไม่อยากจะตายนะเพราะไม่อยากจะตายเมื่อตายแล้วเราก็เกิดมีห่วงมีกังวลห่วงทรัพย์สมบัติห่วงลูกห่วงหลานมันก็ยิ่งเป็นทุกข์ก็คือไปเกิดในอบัยวุมนะไปเกิดในอบัยวุมเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานนะนี่อันนี้มีแต่ทุกข์ทางนั้น สรุปแล้วว่าสภาวะทุกนี้ก็คือเกิดแก่เกิดแก่ตายนี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้แก้ไขไม่ได้นะจะไปเอายามาย้อมผมไปกินยาต่อยุควัฒนะ์มันก็ช่วยไม่ได้มีทางเดียวก็คือให้เรามีสติปัญญารู้เท่าทันว่าบัดนี้เราเกิดแล้วนะเราแก่แล้วนะเราจะตายแล้วนะเราควรจะสร้างคุณงามความดี คุณงามความดีนี่แหละที่จะเป็นอนุสาวรีย์ให้อนุชนรุ่นหลังได้เอายิ่งเอาอย่างเราเราอย่ามัวประมาทมัวเมานะไม่ควรประมาทว่าเรายังไม่แก่ไม่ควรประมาทว่าเราไม่มีโรคไม่ควรประมาทว่าเรายังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวนะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีสติไม่หลงก็จะสร้างความสุขความเจริญได้นะแกประเภทที่สองอ่ะ ทุกประเภทที่สองก็คือปกินอากาศทุกก็คือทุกเล็กเล็กน้อยๆยหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าทุกขจรอะทุกขจรหรืออาพันตุกะทุกทุที่จอนมาก็มีตั้งแต่โสกะความเศรโศกทุกขะความไม่สบายกายไม่สบายใจปริเทวะความขมขวนทุกโสกะปริเทวะความขมขวนทุกขะความไม่สบายกายไม่สบายใจอุปายาสะความแห้งแรงใจความตรอมใจ อัปิเยหิสัมปโยโคทุกโขอประสบสิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกปิเยหิวิปโยโคทุกโขทักท่าจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกยำปิดชังนภัตตตามปิทุกขังไม่ได้สิ่งที่สมหวังที่ดังที่ปรารถนาไว้ก็เป็นทุกเนสังคิเตนะปันจุปาทานขันทาทุกขาโดยย่นย่อแล้วทุกทั้งหมดก็รวมลงในขันห้านั่นเองนรวมลงในขันห้านั่นเองมันเป็นทุกทั้งนั้นนมันเป็นทุกทางนั้น หรือพูดง่ายๆก็คือว่าให้เรากําหนดในทุกสิทธก็นั่นแหละในทุกสิทธก็มีตั้งแต่สภาว่ทุกปกะคินะทุกหรืออนนี้พัตนทุกทุกหนึ่งนิดเดี๋ยวหิวก็หายปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ถือว่าเป็นทุกหนึ่งนิดหรือเป็นพวกอ่าสันตาประทุกทุกเกิดจากความเลาร้อนเกิดจากกิเลส ต, ตัณหาราคะคิโตสกิโหหกิไปคือราคะโทสะโมหะ หรือพยาธิทุกทุกเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเปียดเีย็นโดยมีสมุทฐานต่างๆหรืออาหารประเยณีทุกทุกในการแสวงหาอาหารกินมีการแข่งแย่งกันปัดแข่งปัดขากันมีการอาฆาตมาดร้ายกันมีการฆ่ากันอ่าอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ทางนั้นอหรือว่าสหัตะทุกทุกเกิดมาพร้อมๆกันก็คือเมื่อใดลาบก็กลัวลาบจะเสียไปเมื่อได้ยศก็กลัวยศจะเสียไปเมื่อไดสุกก็กลัวสุกจะเสียไปอะไรความทุกข์ เม่อมีมสันเสริญก็กลัวจะถูกติชิ้นนินทาเนี่ยหรือวิวาลมูละกระทุกก็คือว่าทุกเกิดจากการทะเลาะอีวาตขึ้นรวมขึ้นศาลกัวจะแพอ่ก็คิดที่จะเอารัดเอาเปรียบกันมีการพนันขันต่อกันวิ่งเต้นกันปูนี่ยึงสินหมดเนื้อหมดตัวขายไรขายนานี่แหละก็เพราะไอวิวาลมูละกระทุกนี่เองมาสรุปแล้วจะทุกไหนก็แล้วแต่รวมแล้วก็ลงในทุกก็คือขันห้านั่นเองนะทุกคือขันห้านั่นเองนี่เป็นเรื่องของทุก เป็นเรื่องของทุกข์ตัวสมุทัยก็อย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละนะตัวสมุทัยก็ก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ไปแก่ตัวตัณหาความทะยานอยากนี่เป็นสมุทัยอันนี้มันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดจริงเราทุกคนนี่เกิดเพราะไอ้ตัวอยากตัวนี้แหละการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากกันเหลือเกินนะที่ดิ้นรนทุกวันทุกวันนี่ก็เพราะไอ้ตัวตัณหานี่แหละมันหันไปหันมาอยู่ตลอดเวลานะมันจึงมีมันจึงยุ่งไปหมดนะ ถ้าเราไม่รู้จักหันก็ต้องรู้จักปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดตาเสียบ้างนั่งนอนสบายแต่ถ้าเราไม่รู้จักปิดหูซ้ายขวาไม่รู้จักปิดตาสองข้างไม่รู้จักปิดตาเสียบ้างแน่นอนที่สุดเราก็จะนั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เน่ยนอนเป็นทุกข์ถ้าเท่าที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของอาสัจจะญาณนะสัจจะานว่าอ่าเราก็รู้ว่าทุกข์มีจริงนะเรารู้ว่าทุกข์มีจริงแล้วก็รู้ว่า นี้เป็นทุกข์นี้เป็นสมุ ท, ทยัยนี้เป็นนิโรดนี้เป็นมักนี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นสัจจะยานข้อที่สองก็คือกิจจะยานได้แก่ปรีชาอย่างรู้กิจที่ควรกระทำคื อ, อยังรู้ว่าทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรควรกําหนดรู้สมุ ท, ทยัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเป็นธรรมชาติที่ควรละนิโรธคือความดับทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรทําให้แจ้ง นิโรธาคามินีปฏิปทาคือความปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรที่ควรให้กําหนดนะที่ควรกําหนดเรียกว่ากิจจัยานสองนะกิจจัยานสองข้อที่สามก็คือกัตตยานได้แก่ปรีชาอย่างรู้กิจทั้งสี่คือทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจนั้นเป็นธรรมชาติที่ควรกําหนดรู้เราก็กําหนดรู้แล้ว นี่ขอให้นักศึกษาฟังให้ดีมันเรื่อเกี่ยวกับเรื่องกะจจายานว่าปรีชาอย่างรู้กิจทั้งสี่คือทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจนั้นเป็นธรรมชาติที่ควรกําหนดรู้เราก็กําหนดรู้แล้วสมุทัยเหตุเกิดของทุกขเป็นธรรมชาติที่ควรละเราก็ได้ละแล้วทุกข์นิโรธ คือความดับทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรทำให้แจ้งเราก็ได้ทำให้แจ้งแล้วทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาความปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรทำให้เกิดเราก็ได้ทำให้เกิดแล้วนี้เรียกว่ากะตะยานนะเรียกว่ากัตะยานมาในอ่อ่านถ้าหากว่าเรามาพิจารณาถึงในยานทั้งสามนะโดยละเอียดก็ จะทําให้เราเข้าใจถึงเรื่องว่ายานสามนี้เป็นไปในสัจจะอย่างละสามนะอย่างละสามนะอย่างละสามอย่างละสามฉะนั้นในอย่างละสามสามอย่างทุกก็มีสัจญานอ่ากิจยานกตาตยานอ่กากาตยานสมุทัยนิโรธมร ก, ก็มีอย่างละสามเหมือนกันฉะนั้นสีสัจจะจึงเป็นสิบสองอ่า มีวนรอบสามในร่ในสี่อริยสัจนะมีอาการสิบสองท่านฟังอย่างนี้ท่านก็งงนะฟังอย่างนี้ท่านก็งงท่านลองคิดดูนะจะพูดให้สันส้นๆอีกสักนิดหน่อย้องกาหนดให้ดีเช่นอย่างในสัตยานปีชาอ ย, ย่างรู้กิจอริยสัจนะอย่างรู้กิจอริยสัจคืออริยสัจมันมีอยู่สี่นะเราก็อย่างรู้ว่านี้เป็นทุกนะนี้เป็นทุกหนึ่งแล้ว นี้เป็นสมุทยัยสองนี้คือนิโรธสามนี้คือนิโรธคามินีปฏิปทานี่รู้อย่างนี้แลเรียกว่ารู้สัจญาณตีแล้วนะตีแล้วหรือพูดง่ายๆว่าทุกมีจริงอ่าสมุทัยเหฮให้เกิดทุกมีจริงอนิโรธความดับทุกจริงอ่านิโรธคามินีปฏิปทาคือหนทางให้ถึงความดับทุกมีจริงอ่านี่นี่คือสัจญาณมีสี่แล้วนะสี่แล้วนี่สองกิจญาณ ปรีชาอย่างรู้ทุกเป็นธรรมชาติที่กําหนดรู้อกําหนดรู้หนึ่งแล้วปรีชาอย่างรู้ทุกก็หมายถึงว่าไอ้ที่เราอย่างรู้ทุกเป็นธรรมชาติว่าทุกเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ควรกําหนดรู้อเป็นธรรมชาติที่ควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นธรรมชาติที่ควรละอนี่สองแล้วทุกขะนิโรธก็คือนิโรธ คือเป็นธรรมชาติที่ควรทําให้แจ้งอา้าวสามทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาเป็นธรรมชาติที่ควรทําให้เกิดนี่สี่อ่านี่สี่แล้วนะจัตจีานกับกิจกกเจียนรวมกันแล้วก็เป็นแปดอรวมกันแล้วก็เป็นแปดอ้าวทีนี้มาในข้อที่สามก็คือกัตเาีนกตเาียนปีชา ย, ยังรู้กิจอันทํำแล้วอา่าคื อ, อยังรู้กิจอา่ากิจสี่อย่างนั้นคื อ, อยังรู้ทุก อันเป็นธรรมชาติที่ควรกําหนดรู้เราก็ได้กําหนดรู้แล้วหนึ่งละนะหนึ่งละสองทุกขสมุทัยเป็นสภาพที่ควรละเราก็ได้ละแล้วสองแล้วอ่าสองอ่าสามทุกขนิโรธคามินีเป็นอทุกขนิโรธอันเป็นสภาพที่ควรทําให้แจ้งเราก็ได้ทําให้แจ้งแล้วะนะสามแล้วดี ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันเป็นธรรมชาติที่ควรทำให้เกิดเราก็ทำให้เกิดแล้วนี่เรียกว่าสามข้อข้อละสี่นะก็เป็นสิบสองนะก็เป็นสิบสองฉะนั้นยานสามนี้จึงเป็นไปในสันสจสามถึงสี่สัจจอจึงเป็นสิบสองเรียกว่ามีวนรอบสามในสี่อริยสัจในสี่อริยสัจอาการสิบสอง นี่ท่านฟังอย่างนี้แล้วก็งงๆก็ขอให้นักเรียนนักศึกษานะลองค่อยๆไปทําความเข้าใจนะเกี่ยวกับในเรื่องอของยานสามในที่สองนี้เกี่ยวกับเรื่องสัจจะาณ ก, ก, ก, ก, กิจจะยานกัตจยานก็พอจะทําให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจได้นะได้หรือถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าเห็นในอริยสัจสี่อย่างอย่างไหนจึงสําเร็จเป็นพระอรหรันอย่างไหนไม่สําเร็จ อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าผู้เห็นในอริยสัจ พ, พร้อมด้วยสัจจญานกิจจยานกะตยานจึงจะสําเร็จเป็นพระอรหันได้นะต้องพร้อมกันจึงจะสําเร็จได้ถ้าไม่พร้อมด้วยยานทั้งสามนี้ไม่สําเร็จข้อที่สําคัญก็คือข้อกะตยา น, นาข้อกะตยา น, นากะตยานนี้เป็นถือว่าเป็นข้อสําคัญมากคือหมายถึงว่า ถ้าหากว่าเราไม่รู้กัตยานคือไม่รู้ว่าทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนั้นเป็นธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้เราก็กำหนดรู้แล้วถ้ารู้อย่างนี้แน่นอนที่สุดเรารู้แล้วแต่ถ้าไม่รู้เราก็ไม่มีโอกาสได้เป็นพระอรหันต์ได้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรละเราก็ได้ละแล้วนิโรธความดับ ทุกเป็นธรรมชาติดีควรทาให้แจ้งเราก็เลยทําให้แจ้งแล้วอนนี้โรธคามินีปฏิบาัตาิหรือคือมักความที่ปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุก์เป็นธรรมชาติที่ควรทําให้เกิดเราก็เลยทําให้เกิดแล้วนี่แหละเรียกว่ากัตตายานนะยานที่สามนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญจะทําให้เรานั n a อตัดกิเลสสมุทเทฆะประหารเข้าสู่กระแสแห่งสนิพันธ์ได้เอาละเกี่ยวกับเรื่องการบรรยาย เรื่องยานที่สามมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาทธุชนผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร